เมื่อนี้พวกพระพันยิภากันไปท้ำวัดเนอะถำวัดครูบาอาจารย์ไปทั้งหมดสี่วัดปีหนึ่งเราจะมีครั้งหนึ่งปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งไปคารวะเพื่อได้เรียนรู้ส่วนหนึ่งแล้วก็เพื่อไปกราบคารวะครูบาอาจารย์ที่พวกเรา รักเคารพนับถือในละแวกครือในบริเวณที่พวกเราอยู่อาศัยนี่เดี๋ยวนี้ก็คือพระเทระผู้ใหญ่ก็คือหลวงปู่บุญมีปริปุโ น, โนวัดป่านาคูนวงที่สองก็มาภูนาลาวหลวงพ่อบุญมีเจา้าคณะอำเภออำเภอน้ำโสมที่ไปมาหาสู่พวกเรา จะเป็นพระผู้ใหญ่ในท้องถิน่นจากนั้นก็พ่าาจันสดอรุโนวัดป่าบ้านเพิ่มแล้วก็มีเป็นพระอายุพรรษาและก็หลวงพ่อชาลีธีระธรโมวัดปา่าภูก้อนอันนี้เป็นองค์ที่สี่คิดว่าวันนี้น่าจะเพียงพอแต่หลวงพ่อได้ไปกราบคลวะก่อนลูกหลานนั่นแหละ หลวงปู่บุญมีหลวงปูล่ลีแล้วก็หลวงปู่ทุยแล้หลวงตามหาบัวที่เราไปเคารพคารวะวันเกิดของท่านลำลึกถึงองค์หลวงตาวันที่12สิงหาหลวงพ่อก็ได้ไปกราบคารวะกูบ า, าจา์แต่ปีนี้รู้สึกว่าจะขาดไปกระทางมุกดาหาร ทางมุกดาหารตามปกติหลวงพ่อจะไปเมื่อหลวงปู่จามยังอยู่หรือว่าหลวงปู่ล่าคุนแม่ชีแก้วนะยังอยู่หลวงพ่อจะไปนำผ้าที่เราหลวงตาหลองปู่จามเคยใช้พวกผ้าไหมอังสะสบงสังคาติจีวรเป็นบางครั้ง แล้วก็ถวายท่านจานนั้นก็มีขันคลาวะพอคราวะหลวงปู่เสร็จแล้วก็ขึ้นไปครวะพระพระบรมสารีริกธาตุบนเจดีย์ของท่านเนมื่อไปคราวาพระเจดีย์ของหลวงปู่เสร็จแล้วเราก็ไปเจดีย์ของคุณแม่ชี้แก้ว ไปแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปกราบมีแต่ไปถวายเสื่องสักการะที่ว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เป็นที่รักเคารพของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไปวางเครื่องสักการะให้คุณแม่ที่ลูกเหมือนคุณแม่ที่พระเจดีจากนั้นเราก็ไปปู่เจ้าก็ไปคารวะลูกของหลวงปู่ล่า ลูกเหมือนหลวงปูล่ลาคารวะแล้วก็วางพวงมาลาวางดอกไม้เป็นเครื่องสักการะในเจดีย์ของหลวงปู่ล่าจากนั้นก็มาลงมากราบที่กุฏิของท่านวางพวงดอกไม้อีกขันดอกไม้อีกกราบในคารวะแล้วก็กลบับแต่บางปีก็ได้แวะกราบอ วัดหลวงปู่กงแก้วขันติโกที่เป็นพระอุปชาเนนของหลวงพ่ออยู่ในละแวกในแถบนั้นก็ได้เข้าไปกลาววางดอกไม้ตัทูปเทียนเพื่อเป็นเครื่องสักการะนี่แหละอันนี้ก็คือปีนี้รู้สึสกหลวงพ่อไม่ได้ไปทางนู้นปีนี้ปี57เนี่ยเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อไปงานหลวงปู่จำ หลายเดือนในอยู่ในละแวกนั้นจนเหนื่อยล้าปีนี้ก็เลยของดเว้นไปก่อนยกเว้นไปก่อนแล้วก็ปีต่อไปถ้าสุขภาพพอเป็นไปได้ก็คงจะเข้าไปกราบคารวะครูบาอาจารย์ศักการะอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวมาอันนี้ก็คือแสดงถึงความคารวะ ที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเรารักเคารพนับถือถึงท่านจะจากไปธาตุขันธ์ของท่านจากไปแต่คุณธรรมศีลธรรมทำคาสอนของท่านที่แนะนำสั่งสอนให้กับเรายังฝังอยู่ในจิตใจของเรายังจาไม่ลืมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างไรอันนี้เราไปคารวะ เคารพศักดระในธรรมคำสอนของท่านที่ท่านได้สอนแนะนำสั่งสอนพวกเราจนลืมหูลืมตาเป็นคู่เป็นคนรู้จกักศีลธรรมจริยธรรมความเหมาะสมถูกต้องจนถึงแนะนำสั่งสอนถึงมรรคผลนิพพา น, นนี่คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้ก็วันนี้ก็ พวกเราพระที่จะไปก็เตรียมพร้อมไม่ต้องกลับไปกุติแล้วก็มีแต่กีวรย่ามก็มีไฟฉายติดไปด้วยถ้าเผื่อกลับกุติอาจจะมาค่ำก็ได้ไฟฉายติดย่ามไปด้วยเผื่อมาถึงวัดแล้วเราก็จะได้ใช้ไฟสําหรับศรัทธาญาติโยมผู้ที่จะไปก็เตรียมพร้อม ลถพอไหมถ้าไม่พอก็พูดกันอีกหัวหน้าผู้จัดการ ช, ช่วยกันดูแต่ปีที่แล้วก็บอกว่ารถก็ยังเหลืออยู่นะเพราะรถคันใหญ่คนไม่ไปไม่เต็มปีนี้ก็มีแต่พวกพระในวัดของเราส่วนพระที่มีอายุพรรษาที่เคยไปกราบคารวะครูบาอาจารย์ท่านเหล่านี้มาแล้วก็เออเอาปล่อยให้พวกน้องๆไป พวกนี้ก็อยู่เฝ้าวัดไม่ใช่จะไปหมดทั้งวัดไม่ได้นะพวกดูแลแขกไปไทยเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ต้องเตะต้อนรับขับสู้จะไปปล่อยไปทิ้งทั้งวัดไม่ได้นะพดให้แต่พวกรุ่นน้องๆไปผู้ที่ยังไม่เคยกราบคารวะครูบาอาจารย์ก็ไปเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ แล้วก็จะได้เห็นหนานาทัศนะนานาความเห็นแต่และครูบาอาจารย์ดีทั้งนั้นะถ้าเราไปสังเกตถ้าไปแบบซื่อบืดชาวบ้านาไปสักแต่ว่าไปเฉยๆไปเลยกเวลาเข้าไปกับเพียงจะนั่งคุยกันไปที่ไหนก็ยางเก่านั่นะพอไปไม่ได้สังเกตไปไม่ได้ตั้งใจฟังไปไม่ได้เรียนรู้ ในเรื่องที่เราไปนั้นๆฝากไว้กับพวกพระทุกองด้วยเวลาจะไปที่ไหนต้องดูหัวหน้าหัวหน้าพาไปที่ไหนไม่ใช่ว่าไปถึงวัดแล้ว ก, ก็แตกกระจุยกระจายกันเวลาจะขึ้นรถนะนะต้องเรียกขากันไม่รู้ไปไหนถ้าองค์ไหนจะไปห้องน้ำํำก็บอกกันผมขอไปห้องน้ําบอกกูบายจานด้วยนะกระรีบไปกรรีบออก ก็เราไปด้วยกันหลายคนไม่ใช่ว่าไปตามใจตัวเองชอบแต่ไปอย่างนั้นคือไปเองถ้าไปกับหมู่กับคณะมันก็ต้องเกรงใจเขาถ้าไปกับหลวงพ่อน่อยหลวงพ่อไม่ได้รอใครละ่ะพอลงมาถึงรถ ล, ละ่ะเออพร้อมหรือยังคือพวกลูกน้องต้องเตรียมพร้อมถ้าไม่พร้อมก็ออกรถเลยละ่ะมันคงพ่อเคยจัดการมาหลายครั้งแล้วนะ พวกซาซาเซ่อๆทั้งหลายผลในสุดต้องหารถวิ่งตามนั่นะหละหลวงพ่อไม่ได้รอนะลูกน้องต้องรอต้องสังเกตหัวหน้าไม่ใช่ให้ลูกหน้าให้หัวหน้าเอาใจลูกน้องออลูกน้องต้องดูภาระของหัวหน้ามีตัางเยอะแยะไปไม่รู้จะเรื่องอะไรตัวเรื่องอะไรเ อ, อเรื่องพูดเรื่องคุยเรื่อง สนทนาปารบเรื่องกิจการงานาลูกน้องมีแต่ซื้อบือ้อไปเฉยๆก็ยังให้ลูกหัวหน้าทอกคอยอกีกมันเซตแสดงว่าลูกน้องไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการเรียนรู้ต้องสอนสอนอะไรสอนให้เข็ดเข็ดไปเลยเอารถหนี้จากไปข่าวหน้าจะได้เข็ดข่าวหน้าในาจาดีปันยัง้งเอร า, อ, าอหัวหน้ากระดูกเท่านั้นกระดูกกระดิกเท่านั้น ลูกน้องกระโดดขึ้นรถแล้วนะนั่นแหละถ้าไม่สอนมันไม่รู้ต้องเรียนต้องสอนแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สามกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าอห้าสิบเจ็ดเมื่อวานก็รู้สึกว่าฝนตกชกพอสมควรช่วงนี้แต่ลุงพ่อก็เป็นห่วงกดเป็นห่วงผู้สูงอายุ พอเดินไปที่ไหนรู้สึกตะคร้ามากให้ช่วยๆกันนะดูๆนะอย่าไปหกล้มนะถ้าหกล้มแล้วก็หาขาหักแขนหักโดยมากแขนนะจะไปก่อนเวลาลงไปเกเอาแขนค้ำตัวเองนั่นแหละข้อหักอะไรโดยมากจะเห็นผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอ้วนๆนะตุวมเตียมละมัดระวัง ถ้ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นแล้วมันมันเป็นภาระของลูกของหลานของผู้ที่เกี่ยวข้องผู้อยู่ใกล้ชิดพูดทั้ทงนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อก็สอนตนเองเหมือนกันนะไม่ใช่สอนแต่คณะสัจจาธาญาจอมนะสอนหลวงพ่ออินด้วยหลวงพ่อไปที่ไหนหลวงพ่อก็ระวังเหมือนกันนะกลวัวมันจะเป็นภาระของลูกของหลานถ้าหลวงพ่อหกล้มขาหักแขนหักหัวนอกพื้นตายเลยท่นเล เป็นอมภพกอมภพาดขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านี้ขอให้ทุกคนนอะระมัดระวังรักษาเท่าที่จะรักษาได้รักษาให้ดีที่สุดนั่นะการรักษากายรักษาร่างกายแต่ส่วนรักษาใจอีกส่วนหนึ่งนะรักษาใจนั่นแนหะเลิดประเสริฐการรักษาใจแต่ละวีแต่ละวันเรานึกคิดเรื่องอะไร เราคิดไปในทางไหนคิดไปในทางพยาบาทอาฆาตจองเวรโมโหโกธาทั้งวีทั้งวันอย่างนั้นใช่ไหมเราคิดหรือเราเราคิดมีเมตตาเราคิดอะไรแต่ละวันให้คิดให้สร้างบุญสร้างกุศลให้คิดไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่มันหนักหนาที่ไม่พอใจกับเรามากๆ เราก็ให้คิดไว้เลยเออในโลกเนี่ยมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละท่าเราเกิดมาพบนายชาติหนามันก็ต้องมี เ, เราจะไปแบกจะไปคิดกลุ้มใจเรืเ่องไปจะคิดโมโหโกธาอยู่ตลอดเวลาก็ไม่น่าจะถูกต้องนะใจนะสิ่งเหล่านี้เราก็รู้จักปล่อยรู้จักวางกับตนเองเหมือนกันนะอา่ามิใช่ว่าสิ่งที่ไม่พอใจก็จะโกรธอยู่ตลอดทั้งวีทั้งวัน โกรธให้ลูกโกรธให้หลานก็เท่านั้นล่ะเหมือนก็โกรธโกรธให้หัวแม่ตีนของตัวเองน่ะโกรธให้โกรธโกรธให้หัวแม่เท้าตัวเองอ่ะโกรธให้ก็เท่านั้นจะทำยังไงโกรธกันนี้จะ ก, กันไม่ได้ก็เห็นกันอยู่เพราะนั้นก็ต้องถ้ามันเหลือบา ก, กว่าแรงจริงๆก็ยังค่อยว่าเด็ดขาดออกไปเลยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าหากว่าไม่ถึงขนาดนั้นก็ยน้น บอกกันแนะนำกันสั่งสอนกันไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่เป็นธรรมนี่แหละการอยู่ด้วยกันต้องพึ่งพาอาศัยกันแต่ผู้ใดผู้น้อยก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามเป็นลูกก็ตามอย่าเอาแต่ใจตัวเองก็ไม่ได้นะอย่างที่หลวงพ่อพูดไปด้วยกันจะไปเอาแต่ใจตัวเองเวลากูบายจานขึ้นรถอะไรอย่าง ตัวเองก็ยังไปหาเที่ยวทะเลถลายเอาใจตั ว, ตวเองนแหละถ้าเป็นลูกน้องของหลวงพ่อนะได้วิ่งตามรถเลยละ่ะอันนี้ก็เหมือนกัน่ะพวกเราเป็นพ่อแม่ก็เหมือนกันลูกของลูกของเราก็เหมือนกันจะเอาแต่ใจตัวเองได้ยังไงแต่สมัยเป็นเด็กพ่อแม่เอาใจจนพอแรงแล้วพอใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ยังให้พ่อแม่เอาใจอีกไหวเหรอ พ่อแม่ก็แกเท่าชลาไปเรื่อยๆตัวเองก็ต้องเอาใจพ่อแม่มันจึงจะโทกสิ่งเหล่านี้ต้องฝากไว้กับลูกหลานทุกคู่ทุกคนนั่นแหละเราอยู่ในชุมชนกลุ่มใดให้รู้จักการวางตัวอย่าให้คนอื่นหนักใจกับเราอยู่กับครูบาอาจารย์เหมือนกันสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์กับวัดวาศาสานากับครูบาอาจารย์ช่วยกันคิด ช่วยการทำช่วยการปรับปรุงแก้ไขครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันที่เป็นหลวงพ่อสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อลูกศิษย์ลูกหาเป็นประโยชน์ต่อวัดวาศาสนาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้การศึกษายานไหนจะได้ลูกศิษย์ลูกหาจะได้ยินได้ฟังจะได้เรียนรู้หลวงพ่อก็ไม่ได้นิ่งดูได้พยายามทาสิ่งนั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะ พวกเราเข้ามาเพื่อการศึกษาไม่ได้เข้ามาเพื่ออย่างอื่นถ้าเข้ามาแล้วไม่ได้รับการศึกษาอยู่แบบเด่นๆด้านๆแบบอยู่แบบอยู่แบบครอกกระแตของหลวงพ่ออยู่ในป่าอยู่ไปเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่มีสติปัญญาพวกเราเข้ามาศึกษาศึกษาจะทํำยังไงหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าก็พยายามจะทํำยังไงให้ลูกหลานได้ศึกษา ได้เรียนรู้อย่างพูดอยู่เดี๋ยวนี้ไอห้หลวงพ่อให้แนวความคิดคิดให้ใช้ความคิดถ้าคนมีความคิดคนมีสติคนมีปัญญาอยู่ณนะสถานที่ใดดีทั้งหมดถ้าคนไม่มีความคิดไม่มีปัญญาอยู่ที่ไหนซื่อบื้อซาบานะาไปอยู่ที่ไหนกันหนักโลกเขาทั้งนั้นแหละเพราะนั้นให้พวกเรานะทุกคนนะพูดทางนี้ท้งนั้นหลวงพ่อให้พวกเรา ให้รู้จักสถานะของตัวเองเราอยู่ในสถานะไหนให้วางตัวให้ถูกถ้าวางตัวถูกแล้วน่ะอยู่ที่ไหนร่มเย็นเป็นสุขทั้งหมดเป็นหัวหน้าทำตนอย่างไรเป็นลูกน้องทำตนอย่างไรเป็นครูบาอาจารย์ทำตนอย่างไรเป็นลูกศิษย์ทำตนอย่างไรเป็นพ่อแม่ทำตนอย่างไรเป็นลูกทำตนอย่างไร เป็นหลานทำตนอย่างไรมันอยู่ในสถานะของแต่ละคนทั้งหมดถ้าก้าวไายกันเป็นลูกก็จะเป็นแม่ผู้เป็นแม่ก็จะจะเป็นลูกเป็นครูบาอาจารย์ก็จะเป็นทัพท่าเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็จะทำท่าเป็นอาจารย์เลยพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันว่ามันเป็นยังไงอมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งหมดนะท่านเพราะไม่รู้จักสถานะของตนเองเอารับพรนะท่ะนเออ ส่งอนุโมทนาให้พร